ปาราชิกสิกขาบทที่สี่1ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกเพราะการกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมซึ่งไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงเป็นปัจจนะัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวักคุมุธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวักคุมุธากล่าวอวดอุตตริมนุส ธ, ธรรมของกันและกันแก่พวกขเรือหัดในปาราชิกสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ